บทที่สามสิ่งที่มักจะกลัวกันในเวลาฝึกสมาธิข้าพเจ้าได้รับจดหมายและคำบอกเล่า จากผู้ที่สนใจในทางนี้เป็นจำนวนไม่น้อยแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าเขามีความสนใจในการฝึกสมาธิแต่ก็ไม่กล้าฝึกเพราะได้เคยเห็นบางคนเสียสติจากการฝึกสมาธิและตัวเขาเองในบางครั้งเมื่อนั่งสมาธิมักจะเห็นภาพที่น่ากลัวเลยไม่กล้าฝึกอันที่จริงเหตุการณ์ในธรรมนองนี้ มักจะมีแก่คนที่มีพื้นสมาธิซึ่งหมายความว่าคนเหล่านี้ถ้าหาได้รับการฝึกสมาธิอย่างถูกต้องแล้วจะฝึกได้เร็วแต่เพราะเหตุที่ไปเกิดความกลัวจึงไม่กล้าฝึกโดยธรรมดาคนที่นั่งสมาธิแล้วเห็นภาพอะไรต่างๆได้ง่ายย่อมแสดงให้เห็นถึงพื้นสมาธิอันมีมาแต่ชาติก่อน และแสดงให้เห็นว่าสมองในด้านความจำยังทำงานได้ดีมากส่วนคนที่นั่งสมาธิแล้วไม่ค่อยจะเห็นอะไรถ้าใจสงบดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าใจไม่ค่อยสงบและไม่ค่อยจะเห็นอะไรอีกด้วยก็แสดงให้เห็นว่าพื้นสมาธิที่มีมาแต่เดิมมีน้อยเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่น่าเสียดาย สำหรับคนที่มีพื้นสมาธิมาดีแต่มาเกิดความกลัวซสก่อนอันที่จริงภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังเข้าสมาธิอยู่นั้นล้วนแต่เป็นภาพที่เกิดจากความคิดของตัวเองทั้งสิน้นเหมือนกับคนนอนหลับแล้วฝันภาพในความฝันส่วนมากไม่ใช่เรื่องจริงแต่บางคนอาจจะแย้งว่า สิ่งที่เห็นในความฝันหรือในขณะที่จิตเป็นสมาธินานตัวเองไม่เคยนึกมาก่อนหรือไม่เคยเห็นเ่ียด้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นจะว่าเกิดจากความนึกคิดได้อย่างไรสำหรับปัญหาข้อนี้เมื่อพูดถึงตามความรู้สึกของคนทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นแต่เพราะเหตุที่โดยธรรมนาคนเรามีจิตอยู่สองอย่าง คือจิตสำนึกกับจิตไร่สำนึกจิตสำนึกเวลานึกคิดอะไรขึ้นมาเรารู้สึกตัวแต่จิตไร่สำนึกทั้งที่มีความรู้สึกนึกคิดอยู่เสมอแต่เราก็ไม่รู้สึกตัวภาพที่เกิดขึ้นในความฝันหรือในขณะนั่งสมาธินั้นเป็นภาพที่เกิดจากจิตไร่สำนึกเพราะฉะนั้นเราจึงยืนยันได้ว่า เรื่องนี้เราไม่ได้คิดมาก่อนเมื่อเราอ่านหนังสือในขณะอ่านเรามีความนึกคิดมีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างไรเรารู้สึกตัวแต่พอเราเลิอกอ่านหรือหันไปนึกคิดในเรื่องอื่นความเข้าใจหรือความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะกําลังอ่านมันก็เลือนหายไป จงสังเกตว่าที่มันเลือนหายไปนั้นไม่ได้หายไปไหนมันเข้าไปฝังอยู่ในจิตไร้สมนึกเพราะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราหยิบหนังสือนั้นขึ้นมาอ่านอีกความเข้าใจที่เคยมีอยู่แล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นขอได้โปรดจำไว้ว่าตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ เราได้สะสมความรู้สึกเนึกคิดและเหตุการณ์ต่างๆเข้าไว้ในจิตไร้สมนึกมากมายจนกระทั่งหลายต่อหลายอย่างทั้งๆ ท, ท, ที่มันอยู่ในจิตไร้สมนึกแต่เราก็นึกไม่ออกว่าเราได้เคยรู้เคยเห็นหรือได้เคยเข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพราะเรื่องที่ลืมมีมากเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมาอีกเราจึงบอกว่า เรื่องนี้ไม่เคยคิดมาก่อนอันหนึง่งเรื่องต่างๆที่สะสมเอาไว้ในจิตไร้สำนึกโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่ามันไม่เหมือนกับสิ่งของซึ่งในเมื่อเราเอาไปเก็บไว้ที่ไหนมันก็จะอยู่เฉยๆถ้าไม่มีใครโยกย้ายมันอยู่อย่างไรมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ความนึกคิดที่มีอยู่ในจิตไร้สำนึกนั้น ไม่เป็นเช่นนี้แม้ว่าเราไม่รู้สึกตัวว่าข้างในมันคิดอย่างไรแต่ข้างในมันก็ไม่เคยหยุดนิ่งมันมีความนึกคิดอยู่ตลอดเวลาการที่อวัยวะต่างๆในภายในคืออวัยวะที่ทํางานโดยที่เราไม่รู้สึกตัวนั้นการที่มันทําหน้าที่เขามันได้ตลอดและบางทีก็มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงก็ตามนั่นเป็นข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่าจิตไร้สานึกมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเรื่องอย่างนี้คนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตใจโดยละเอียดจะไม่มีทางเข้าใจแต่อย่างไรก็ดีเพราะเหตุที่ข้างในก็นึกคิดอยู่เสมอและความนึกคิดนั้น ย่อมจะไม่อยู่ในรูปเดิมมักจะเอาเรื่องนั้นมาติดต่อกับเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ไปต่อกับเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นความนึกคิดจึงไม่อยู่ในรูปเดิมตลอดไปแต่ทั้งหมดที่ว่านี้มันเป็นไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่การที่จิตสานึกมีความเปลี่ยนแปลงเช่นเรารู้สึกตัวว่า เราเคยมีความนึกคิดอย่างนั้นแต่แล้วก็เปลี่ยนเหตุการณ์ที่ว่านี้มีอยู่เสมอบางคนไปเข้าใจเสียว่าเป็นเพราะเราได้เคยเห็นได้ยินหรือมีความรู้ในสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นความรู้สึกนึกคิดจึงได้เปลี่ยนความเข้าใจเช่นนี้ไม่ถูกแต่เนื่องจากคนส่วนมากไม่รู้ว่า ความรู้สึกนึกคิดของจิตสำนึกนั้นย่อมมาจากวิบากของมันเมื่อเรามองดูต้นไม้เรารู้ว่ามันจเจริญเติบโตก็ตเพราะว่ารากและใบดูดเอาอาหารและอากาศเข้าไปในทํานองเดียวกับคนเราได้รับสิ่งภายนอกโดยอาศัยการเห็นหรือการฟังเป็นต้นจิตใจก็ได้เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราจะมองดูเพียงแค่นี้ก็จะเห็นได้ว่าเข้าใจผิดเพราะต้นไม้ไม่ใช่เจริญเติบโตโดยอาศัยการรับสิ่งภายนอกเข้าไปอย่างเดียวแต่มันจะเริญเติบโตโดยอาศัยรากฐานภายในคือวิบากหรือเชื้อของมันความรู้สึกนึกคิดของคนเราก็เหมือนกันมันจะขยายตัว หรือว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปไหนก็ตามย่อมขึ้นอยู่กับวิบากที่มีอยู่ในพวังขจิตถ้าท่านศึกษาเรื่องจิตไร้สมนึกให้เข้าใจดังที่กล่าวมานี้แล้วท่านจะเห็นว่าการที่ภาพต่างๆเกิดขึ้นในขณะจิตเป็นสมาธิหรือในความฝันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ประการใด แม้ว่ามันจะเป็นภาพที่น่ากลัวก็ตามเพราะมันเหมือนกับเมื่อเรานึกถึงเสือแล้วเราก็วาดภาพเสือลงบนแผ่นกระดาษเราจะเขียนให้มันน่ากลัวอย่างไรก็ได้แต่แล้วเราก็ไม่กลัวเพราะมันไม่ใช่เสือจริงๆมันกัดเราไม่ได้ภาพในความฝันหรือในขณะที่จิตเป็นสมาธิก็เหมือนกัน ถ้ารู้ความจริงอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีอะไรที่น่ากลัวอีกต่อไปอันหนึ่งท่านควรจะทราบอีกอย่างหนึ่งว่าโดยธรรมดาเมื่อจิตมีความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นเมื่อใดมันก็จะสร้างรูปขึ้นมาเมื่อ น, นั้นตามกฎปฏิจจสมุปบาทที่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปเมื่อวิญญาณเกิด นามและรูปจมเกิดถ้าวิญญาณไม่เกิดนามและรูปไม่เกิดคำว่ารูปในที่นี้มีความหมายหลายอย่างและความหมายอย่างหนึ่งก็คือมโนภาพเมื่อวิญญาณเกิดซึ่งหมายถึงวิญญาณมีความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นรูปคือมโนภาพยมเกิดขึ้นเสมอแต่มโนภาพที่ว่านี้จะมองเห็นได้ชัด ก็ต่อเมื่อจิตเป็นสมาธิหรือไม่เช่นนั้นก็ในเวลานอนหลับซึ่งก็คล้ายกับคนเข้าสมาธิเพราะในขณะที่เรานอนหลับนานการเห็นการได้ยินและการรู้สึกตัวไม่มีเพราะฉะนั้นพาะเจ้าจึงกล่าวว่าคนที่นั่งสมาธิแล้วเห็นภาพต่างๆแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีพื้นสมาธิมาดี ถ้ายิ่งเห็นภาพได้ชัดเห็นได้ไวคือพอหลับตาเดี๋ยวเดียวก็เห็นก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีพื้นสมาธิมาดีแต่อย่างไรก็ดีถ้าหากภาพที่เห็นนั้นไม่มีระเบียบเปะปะไม่เป็นเรื่องเป็นราวก็แสดงให้เห็นว่าข้างในยังไม่ค่อยสงบจิตมีความว้าวุ่น แต่ถ้าภาพที่เห็นชัดมีระเบียบเป็นเรื่องเป็นราวและเห็นอยู่ได้นานก็แสดงให้เห็นว่าพื้นข้างในมีความสงบและมีความเป็นระเบียบอยู่มากเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงใคร่ที่จะขอแนะนำสำหรับผู้ที่นั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้ว่าขอให้สลัดความกลัวออกเสียให้หมด ท่านเป็นคนที่มีวาสนาดีแต่ความกลัวของท่านจะทำลายวาสนาอันนี้เสียและวิธีแก้ก็ง่ายๆคือพยายามศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้เข้าใจเสียอย่างชัดเจนเมื่อเห็นอะไรก็อย่าไปยึดถืออย่าไปนึกว่าเป็นเรื่องจริงคอให้นึกถึงตัวอย่างการเขียนรูปบนแผ่นกระดาน ถ้าทำได้อย่างนี้ท่านก็จะไม่กลัวแต่อย่างไรก็ดีบางคนในขณะนั่งสมาธิอาจจะได้เห็นของจริงซึ่งหมายความว่าภาพที่แลเห็นไม่ใช่เกิดจากความคิดของตัวแต่เป็นภาพที่มีจริงเช่นอาจจะไปเห็นพวกโอปะปะติกะอย่างนี้เป็นต้น แต่สำหรับในกรณีอย่างนี้ท่านก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะคนที่จะได้เห็นของจริงนั้นต้องเข้าสมาธิได้ลึกมากอย่างน้อยก็ต้องสามารถหลับในสมาธิได้และจะต้องมีแสงสว่างมากสมาธิขั้นนี้น้อยคนที่จะเข้าได้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็พระเจ้าได้เคยชี้แจงมาบ้างแล้วในตอนก่อนๆเพราะฉะนั้นในที่นี้จะของงดไว้ก่อนส่วนสําหรับในกรณีของคนที่นั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คนส่วนมากเข้าใจผิดคนที่นั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าซึ่งมีน้อยคนมากคนประเภทนี้ไม่ใช่เป็นบ้าเพราะสมาธิ แต่เป็นเพราะพื้นเดิมของเขาจวนจะเป็นบ้าอยู่แล้วและมาฝึกสมาธิไม่ถูกวิธีซึ่งอาจจะเป็นเพราะอาจารย์ที่สอนรู้เท่าไม่ถึงการทำนองหมอให้ยาผิดซึ่งยานั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อคนปกติแต่สำหรับคนที่เป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เช่นเคยแพ้เพนิซิลิน หมอที่ไม่รู้แล้วให้เพนนิซิลินคนไข้ก็อาจจะเป็นอันตรายได้อย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ดีคนที่นั่งสมาธิแล้วเป็นบ้านนั้นขอให้เข้าใจว่ามีน้อยรายมากเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะเป็นห่วง ที่สทารกจับเตาไฟพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีปัญญาและปัญญาก็ย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีฌานข้อความทั้งสองประโยคนี้ได้ให้แนวความคิดในทางปฏิบัติแก่เราเป็นอย่างดีและจากหลักนี้แสดงให้เห็นว่าตามวิธีของพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิกับการจเจริญวิปั ส, สนาจะต้องทำคู่กันไปการปฏิบัติสมาธิและวิปั ส, สนาในชีวิตประจำวันเท่าที่เขียนมานี้ก็ได้ยึดแนวนี้ตลอดมาซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับคนในยุคปัจจุบันเพราะการฝึกสมาธิแบบนี้เราสามารถที่จะทำได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ซึ่งหมายความว่า ในขณะใดเราสามารถควบคุมความคิดให้มีระเบียบพอควรเราก็สามารถจะเจริญวิปัสนากล่าวคือพิจารณาถึงปัญหาชีวิตเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงและพร้อมกันนั้นก็เป็นการช่วยทำให้จิตสงบซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเข้าสมาธิอีกด้วย วิธีปฏิบัติโดยหลักทั่วๆไปก็คือในเมื่อเราจะคิดอะไรข้อสำคัญต้องให้มีสติคือรู้สึกตัวอยู่เสมอว่ากำลังนึกคิดอะไรและพร้อมกันนั้นพยายามควบคุมความคิดให้มีระเบียบคิดไปทีละอย่างและให้ข้อความติดต่อกันอันนี้เป็นหลักของการฝึกสมาธิโดยทั่วไป เมื่อเราสามารถควบคุมความคิดได้ดังที่กล่าวมาแล้วเราก็สามารถที่จะพิจารณาปัญหาธรรมหรือปัญหาชีวิตเพื่อเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงยิ่งขึ้นซึ่งการพิจารณาอย่างนี้ก็คือการเจริญวิปัสสนาข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะให้คนทั่วไปสามารถนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและต้องการที่จะให้คนทั่วไปสามารถปฏิบัติตามได้เพราะฉะนั้นจึงได้เลือกวิธีง่ายๆที่เหมาะสำหรับคนทั่วไปอันหนึง่งขอให้ผู้อ่านโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าในขณะใดถ้าเรานึกถึงหลักธรรมหรือนำหลักธรรมมาใช้เพื่อระงับความทุกข์หรือความฟุ้งซ่าน หรือเพื่อจะดับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามอันนี้ก็ขอให้ถือว่าเป็นการฝึกสมาธิและวิปัสสนาเหมือนกันการฝึกสมาธิและการเจริญวิปัสสนาไม่จำเป็นจะต้องนั่งเข้าสมาธิหลับตาอยู่ในที่เงียบส ง, งดเสมอไปแต่แน่ละในบางครั้งถ้าเรามีโอกาสจะทำเช่นนั้นได้เราก็ควรจะทำ เพราะการฝึกสมาธิและการเจริญวิปั ส, สนาที่จะให้ผลโดยสมบูรณ์นานจำเป็นจะต้องปลีกตัวไปอยู่ในที่เงียบสงัดและตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญจริงๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราจะรอให้มีโอกาสอย่างนี้เสียก่อนแล้วจึงจะปฏิบัติข้าพเจ้าเห็นว่าน้อยคนที่จะทำได้เพราะโดยปกติ ผู้ที่จะไปอยู่ในที่เงียบสงดและปฏิบัติได้ผลอย่างแท้จริงนั้นจะต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าไม่น้อยการหัดคิดทำและพยายามหัดคิดให้มีระเบียบนั้นทุกคนสามารถจะทำได้แมในเวลาทางานหรือในระหว่างการเดินทางหรือจะอยู่ในที่ไหนก็ตามแต่ถ้าหากคนไหน ไม่เคยหัดคิดทาในโอกาสเช่นนี้มาก่อนพอมีโอกาสที่จะปลีกตัวไปอยู่ในที่เงียบสงัดได้จึงจะเริ่มปฏิบัตินั้นจะไม่ได้ผลเพราะเหตุที่เตรียมตัวมาไม่พร้อมเพราะฉะนั้นขอให้ถือว่าการหัดคิดทาในชีวิตประจำวันและหัดคิดให้มีระเบียบจะคิดอะไรพยายามให้มีสติอยู่กับตัวเสมอ การตระเตรียมเช่นนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งและท่านจะเห็นผลจากการปฏิบัติเช่นนี้จากตัวท่านเองปัญหาชีวิตประจำวันที่เราจะต้องหมั่นคิดซึ่งในเมื่อคิดจึงกระทั่งเข้าใจโดยกระจ่างแล้วก็จะเป็นพื้นฐานให้เข้าสมาธิง่ายและเป็นพื้นฐานให้เรารู้จักระ ง, งับความทุกข์ ที่มีอยู่ในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะั้นก็คือเรื่องกฎของกรรมอันที่จริงเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยที่บายมาแล้วอย่างมากแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่หมดยังมีแง่ที่เราจะต้องพิจารณาอีกมากโดยเฉพาะก็คือเรื่องนี้แม้เราจะเข้าใจอยู่แล้วก็ตามก็ต้องหมั่นพิจารณาบ่อย การนึกถึงกฎของกรรมซึ่งในเมื่อนึกขึ้นมาแล้วเราเข้าใจและเชื่อตามกฎนี้จริงๆการนึกถึงกฎของกรรมในลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกับการรับประทานยาประเภทบํารุงหรืออาหารประเภทที่ร่างกายต้องการอยู่ทุกวันเพราะการนึกถึงกฎของกรรมบ่อ ย, อยจะทําให้จิตใจของเราเข้มแข็ง มีความอดทนต่อสิ่งยั่วยาที่จะชักจูงไปในทางที่เสียหายได้ง่ายด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงจำเป็นที่จะต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกฎของกรรมสั้นๆที่ว่านี้คนโดยมากมักจะเข้าใจไม่ถูกหรือไม่ก็ซึ้งไม่พอโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ มักจะแปลความหมายคําว่าได้ดีและได้ชั่วไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้แนวความคิดของท่านในเรื่องนี้ถูกต้องและเพื่อให้ความเข้าใจในเรื่องนี้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นข้าพเจ้าจึงขอแนะนําให้นึกถึงตัวอย่างดังต่อไปนี้เด็กที่ไม่รู้ว่าเตาไฟยังร้อนอยู่เพราะความไม่รู้และเพราะความสนของเด็ก เขาจึงเอามือไปจับเล่นที่เตาไฟครั้นแล้วมือของเด็กก็จะพองและเด็กก็จะเข็ดไม่กล้าไปจับอีกขอให้สังเกตว่าเด็กที่เคยประสบเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วจะหวาดกลัวแม้กระทั่งเตาทุกอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ว่าเตานั้นจะมีไฟหรือไม่ก็ตาม ความเข็ดของเด็กในเรื่องนี้ลึกซึ้งมากถ้ายิ่งเตาที่เด็กจับครั้งแรกร้อนมากความเข็ดราบอันนี้ก็จะฝังลงในใจอย่างลึกซึ้งและจำเหตุการณ์ได้แม่นยามากเพราะเห็นเตาเด็กก็จะนึกถึงความร้อนที่เคยได้รับทันทีตัวอย่างสั้นๆที่กล่าวมานี้นี่แหละคือคาอธิบายที่ชัดเจน ถึงปัญหาที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วซึ่งข้าพเจ้าจะแยกแยะประเด็นให้เห็นได้ดังต่อไปนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่ากรรมทุกอย่างเกิดจากอวิชชาถ้าวิชาไม่มีกรรมย่อมไม่มีซึ่งหลักอันนี้มีอยู่ในหัวข้อปฏิจจสมุปบาทที่ว่า อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารถ้าอาวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีคำว่าสังขารในทีน่นี้หมายถึงกรรมหรือวิบากของกรรมและจากหลักนี้หมายความว่าถ้าคนเราละอวิชชาได้ก็เป็นอัลละกรรมได้เด็กไม่รู้ว่าเตาร้อนและมีความอยากเล่นคืออยากจะลองจับดู การจับที่เตาคือกรรมของเด็กซึ่งกรรมอันนี้เห็นได้ชัดว่าเกิดจากอวิชชาและถ้าเด็กรู้ว่าที่เตานี้ร้อนและเคยรู้มาแล้วว่าสิ่งที่มีความร้อนเช่นนี้ถ้าไปจับเข้าแล้วจะได้รับความทุกข์อย่างไรแน่นอนเด็กจะไม่จับเป็นอนขาดและขอให้สังเกตว่า การกระทําที่เกิดจากอวิชานั้นผลที่ได้รับจะต้องเป็นความทุกข์เสมอซึ่งความทุกข์ที่ว่านี้เกิดขึ้นจากการกระทํานั่นเองโดยไม่มีผู้อื่นเป็นผู้ลงโทษเพราะในกรณีเช่นนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีใครเป็นผู้ลงโทษการกระทําความผิดเพราะความไม่รู้นั้นเป็นผู้ลงโทษเอง แต่ถ้าสมมติว่าเด็กไปเล่นถ้วยแก้วและทำแก้วแตกแม้ว่าแก้วจะไม่บาดมือเด็กแต่เด็กอาจจะถูกลงโทษจากพ่อแม่ก็ได้เช่นถูกเขี่ยนเป็นต้นการทำความผิดในลักษณะเช่นนี้ถ้าเราไม่พิจารณาให้ลึกซึ้งเราก็มองไม่เห็นว่าการกระทําความผิดนั้นเป็นผู้ลงโทษเด็กเอง เพราะตัวอย่างในเรื่องทาแก้วแตกไม่ชัดเจนเหมือนกับตัวอย่างในเรื่องเด็กที่ไปจับเตาที่กำลังร้อนจากตัวอย่างเรื่องทาแก้วแตกคนส่วนมากที่ไม่เข้าใจเรื่องกฎของกรรมอย่างลึกซึ้งก็มักจะเชื่อในทํานองนี้กล่าวคือเมื่อเราทาผิดหรือเราทาบาปอันใดก็ตามเราจะบอกได้ว่ามันเป็นความผิดหรือเป็นบาป ก็ต่อเมื่อมีคนอื่นมาลงโทษถ้าไม่มีใครลงโทษก็แปลว่าสิ่งนั้นไม่ผิดหรือบางคนคิดว่าผู้ที่สามารถลงโทษเราได้นั้นถ้ายกโทษให้เราเสียก็เป็นอันว่าเราพ้นจากความผิดอันนั้นไม่กลุ่มของคนที่นับถือศาสนาคริสต์หรือศาสนาใดก็ตามที่ถือว่ามีพระผู้เป็นเจ้า เป็นผู้ให้รางวัลและลงโทษคนเหล่านี้จะมีความเข้าใจในเรื่องกฎของกรรมใน่ทำนองเดียวกับเด็กทำแก้วแตกซึ่งถ้าพ่อแม่ไม่เอาเรื่องหรือไม่ถูกลงโทษก็เป็นอันว่าพ้นผิดไปขอได้โปรดจําไว้ว่ากฎของกรรมตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นถือว่าความผิดเป็นผู้ลงโทษเอง ไม่จำเป็นต้องมีใครอื่นเป็นผู้ลงโทษในทำนองเดียวกับเด็กที่ไปจับเตาไฟที่กำลังร้อนอยู่ซึ่งในเมื่อจับเข้าแล้วมือจะต้องไหม้หรือพองถ้าหากว่าจะมีใครลงโทษซ้ำเติมอีกก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่โดยธรรมดาสิ่งที่เรียกว่าเป็นความผิดมันย่อมจะลงโทษในตัวของมันอยู่แล้ว โปรดจำตัวอย่างอันนี้ไว้ให้แม่นแล้วในที่สุดท่านก็จะเข้าใจเรื่องกฎของกรรมได้อย่างลึกซึ้งทีเดียวจริงอยู่เรื่องกรรมในทางพระพุทธศาสนาก็มีการลงโทษในทำนองเดียวกับเมื่อเด็กทำแก้วแตกแล้วผู้ใหญ่ก็ลงโทษเช่นนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเช่นเราจะเห็นได้จากเรื่องพระมาลัย คนที่ทำบาปตายไปแล้วจะต้องไปตกนรกและมีคนอื่นคอยทำโทษคนนั้นด้วยวิธีต่างๆแต่อย่างไรก็ตามเรื่องในธรรนองนี้ขอให้เข้าใจว่าเป็นการอธิบายเพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจง่ายเท่านั้นและเป็นคำอธิบายที่เหมาะสำหรับคนชั้นธรรมดาที่ไม่อาจที่จะคิดอะไรได้ลึกซึ้งแต่เป็นคนเชื่อง่าย การสอนแบบนี้เป็นของจําเป็นสําหรับบุคคลประเภทนี้ส่วนสําหรับคนที่เป็นนักคิดซึ่งจะเชื่ออะไรก็ต่อเมื่อมีข้อพิสูจน์อย่างเพียงพอนั้นขอให้ตัดออกไปก่อนอย่าเอามาคิดแม้ว่าท่านจะไม่เชื่อก็ไม่เสียหายอะไรแต่ข้อสําคัญท่านต้องแน่ใจในตนเองเสียก่อนว่า ท่านมีปัญญาพอที่จะเข้าใจถึงเหตุผลแท้ๆไม่เช่นนั้นก็อย่าปฏิเสธเรื่องในรทำนองพระมาลัยไม่เชื่อก็ต้องเฉยๆไว้ก่อน